ความเห็นใดๆที่จุดจบคือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการการพูดเท็จพูดคำหยาพูดซอเสียดพูดเพลเจอร์เป็นต้นหรือความเห็นที่ส่งเสริมอภิชาและพยาบาทพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เกิดจากมิจฉาทิฐิทั้งหมดพื้นฐานเนี่ยนะมีมิจฉาทิฐิเป็นอุปนิสัยมิจฉาทิฐิมีอะไรเป็นส่วนเปรียบเพื่อนของมิจฉาทิฐิคือวิชา นะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของมิจฉาทิถิคืออวิชาความไม่อย่างรู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้เหตุไม่รู้ผลโดยที่สุดไม่รู้อริยสัจจะทำเนี่ยนะไอความไม่รู้ตัวนี้แหละส่งเสริมไ อ, ไอความเข้าใจผิดเต็มที่เลยนะเขาสัอย่างเดียวเข้าใจคำว่าโง่สัอย่างเดียวแล้วก็ทัศนคติที่ผิดด้วยปรับอะไรผิดไปหมดทุกอย่างที่ทําก็พลาดไปหมดเพราะมันผิดตั้งแต่ไหน เขาบอกว่าผิดหรือถูกอยู่ตั้งแต่ที่ความคิดแล้วอยู่ที่ทัศนคติต่อต่อเรื่องนั้นนั้นอยู่แล้วเ <c oughs> ช่นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่ามรรคผลคืออะไรก่อนถ้าพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้ไม่มีตั้งแต่แรกทัศนคติเหล่านี้ผิดตั้งแต่ต้นนะยังไงก็ผิดทำให้ตายก็ผิด ทำอีกหลายชาติยังไงก็ผิดเพราะทัศนคติผิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะในการฟังพระธรรมเป็นต้นเนี่ยจึงสําคัญฟังเพื่อปรับทัศนคติของเราให้ให้ถูกต้องอะเหมือนกับพูดสมัยใหม่เนะีก็เหมือนกับจูนคลื่นให้มันตรงกันก่อนเหมือนกันเถอชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมก็ต้องจูนจิตของเราความคิดของเราให้สอดคล้องกับคําสอนถ้าหากบอกบางคนบอกเชื่อขนาดนั้นด้วย มาปิตกาก็บอกอย่าเชื่อโดยอ้างตำรามาตะกะเหตุอย่าเชื่อโดยการตรึกพวกนี้ขึ้นมาปฏิเสธเลยยายายายายายาปฏิเสธเลยดีไหมผู้ทางสารานังข้าามีก็ไม่รู้จะว่าไปทําไมเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่กล่าวอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสเนี่ยนะนั้นถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้สอนเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าจบเลยถ้าโลกนี้นะถ้าเกิดมาเราไม่เชื่ออะไรแม้แต่นิดเดียว อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมาไม่ยอมเชื่ออะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ที่นี้ถามว่าที่เราเชื่อทําไมเราจึงเลือกเชื่อพระพุทธเจ้าทําไมไม่เลือกเชื่อคนอื่นล่ะพุทธะแปลว่าอะไรนะความตรัสรู้พุทธะนะแปลว่าความตรัสรู้ถ้าพุทโธก็คือผู้ตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้เราเชื่อในความตรัสรู้มากกว่าเชื่อปัญญาที่เข้าไป ตรัสรู้แล้วปัญญาที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากต้นเหตุสาเหตุก็คือบา ร, รมีพราะันเมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาจึงใช้คาว่าตถาคตตถาคตตถาคตตถาอาคตโตผู้เสด็จมาอย่างนั้นตถาคตแปล ว, ว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ที่ยังรู้ธรรมะที่จริงแท้ผู้ที่มีวาจาที่จริงแท้เป็นต้นเนี่ยนะก็ว่าตถาคตว่าตถาคต นีนะใช้คําว่าตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ผู้อย่างรู้ธรรมที่ทองแท้ผู้เห็นธรรมะที่จริงแท้ผู้มีวาจาไม่ผิดไม่พลาดเป็นต้นนีนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปั๊บเนี่ยการเจริญพระธรรมของเราก็จะเติบโตอย่างเดียวการศึกษาพระธรรมก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเพราะเราปรับทัศนคติที่ที่ถูกและตรงการเจริญกุศลธรรมก็ไม่ผิดไม่พลาด แต่ที่ยากที่ผิดที่พลาดก็เพราะเราปรับทัศนคติที่ผิดผิดเอาไว้ตั้งแต่แรกมันพระพุทธเจ้าในความคิดของเราคือใครพระพุทธเจ้าในความคิดของเราท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้เพื่ออะไรตรัสรู้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยไอ้ปรับทัศนคติเหล่านี้เบื้องต้นสําคัญที่สุดอ่านะรายละเอียดค่อยว่าอีกทีหนึ่งถ้าปรับทัศนคติเบื้องต้นถูกต้องการลงไปในรายละเอียดก็จะไม่มีคําว่าผิดพลาดเดี๋ยนะ เหมือนกันพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีได้อย่างต่อเนื่องสืบยาวเนี่ยนะตลอดสี่อสงไขยแสนกับเพราะทัศนคติของท่านไม่เปลี่ยนเนี่ยท่านมีทัศนคติที่ถูกที่ตรงตามเป็นจริงนะนะเพราะท่านไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเพราะท่านไม่เป็นมิจฉาทิฐิท่านจึงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นเป็นผลสิ่งที่ท่านไม่หลงประเด็นเลยคือกุศลและอะกุศลสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษ ผลแห่งความดีและความชั่วเหตุแห่งความดีความชั่วตรงนี้ท่านไม่หลงประเด็นจะไม่รู้เรื่องอย่างสูงอะไรอย่างอื่นก็ช่างเถอะแต่สิ่งที่ไม่หลงประเด็นก็คือเหตุแห่งความเจริญและก็เหตุแหง่งความเสื่อมเหตุแห่งดีเหตุ แ, แหง่แแหงความชั่วแล้วก็ผลแห่งความดีแล้วก็ผลแห่งความชั่วสิ่งเหล่านี้ไม่มีคําว่าเบลอนะไม่มีเลอะเลือนนะถ้าเบลอก็แปลว่าอะไรไม่ปกติ อย่าทบทวนนะว่าในบรรดากุศลกรรมบททั้งสิบข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดในบรรดาบุญยะกิริยาวัตถุสิบข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดมีอยู่สิบข้อนะคือทางธรรมะกับทางโลกอาจจะแตกต่างกันนะทางโลกสมัยใหม่เนี่ยนะบางคนมันจําได้แต่ข้อต้นต้นแต่โบราณเขาถือเอาข้อท้ายๆเป็นหลัก เขาบอกว่าใจความสำคัญที่จะสื่อให้ผู้อื่นรู้เรื่องนันนะเขาถือเอาขอ้อท้ายๆเป็นหลักว่าเพราะว่าความต้องการหลักจริงๆอยู่ที่ไหนนะอาจจะเหมือนกับเขียนจดหมายไปหาใครสักคนหนึ่งก็ได้อะไรนะไไปเรื่อยว่าไปเรื่อยแต่ว่าประโยคท้ายๆเนี่ยคือสาระสำคัญทางธรรมะก็ลักษณะเดียวกัน ไล่ตั้งแต่ว่าอนะเว้นจากปานาทิบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากกาเมสุมิชฌ า, ชาเว้นจากมุสาวาตเว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากพุสววาจาเว้นจากสัมผัสปลาปะอนะพิชฌาอัพยาบาทสุดท้ายคือสั ม, มาธิฏฐิส ม, มาธิฏฐิแปลว่าทิฏฐิแปลว่าตรงแปลว่าความเห็นสัมมาแปล ว, ว่าถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดแข็งเลยว่างั้นน่ะ พะนั้นความเห็นที่ถูกที่ตรงที่ไม่ผิดไม่พลาดความเห็นอันนี้เกิดจากทัศนคติที่ที่ที่ถูกต้องจริงๆก็แสดงว่ามีข้อมูลที่ที่ถูกต้องตั้งอัธยาศัยของตัวเองเอาไว้อย่างถูกต้องเกิดจากอัธยาศัยที่ถูกต้องเพราะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นอัธยาศัยด้วยเหมือนกันบางคนมีอัธยาศัยที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนก็มีอัธยาศัยที่จะเป็น มิจฉาทิฐิตัวทัศนะตัวความเห็นตัวนี้สําคัญว่าสําคัญที่สุดว่างั้นเถอะในบรรดากุศลกลัมบท10บข้อถ้าเรามีความเห็นว่าฆ่าสัตว์ไม่มีผลไม่มีบาปอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเราถือว่าการโคดอ่อการโคดการโกงการขโมยไม่มีผลอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราถือว่าผิดกาเมไม่มีโทษอะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราถือว่ามูสาวาตไม่มีโทษอะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่ด้วยมูสาวาตถ้าเราถือว่าส่อเสียดไม่มีโทษ เราก็อยู่ด้วย ส, อส่อเสียดถ้าเราพูดว่าพุสวาจาพูดคำหยาบไม่มีโทษเราก็จะยินดีที่จะพูดคำหยาบถ้าเรามองว่าเพ้อเจร์ไม่มีโทษเราก็มีความสุขที่จะเพ้อเจร์ถ้าเรามองว่าอภิชาไม่มีโทษเราก็ยินดีที่จะเจริญอภิชาถ้าเราบอกว่าพยาบาทไม่มีโทษเราก็จะยินดีในพยาบาทขณะเดียวกันถ้าเราไม่เห็นเว้นจากปานอธิบาตมีอ น, นิสงอย่างไรอ น, นิสงแปลว่ากาไรนะ ถ้าไม่มีความรู้ว่าเว้นจากปาณาติบาตมีกำไรอย่างไรเว้นจากอธินาทานมีกำไรอย่างไรเว้นจากการมีสุมิชาจานี่มีกำไรคืออะไรนะพูดคำสัตย์คำจริงมีกำไรคืออะไรพูดให้คนสามัคคีกันเนี่ยได้กำไรอะไรนะพูดคำไพเราะมีกำไรอย่างไรพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีกำไรอะไรอนะพิชชาได้กำไรอะไรเว้นจากความโลภเนี่ยนะ ได้กําไรอย่างไรถ้าไม่โกรธได้ดีอย่างไรแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะปรับความเห็นที่ถูกกับความเห็นที่ผิดปรับความเห็นถูกดีอย่างไรปรับความเห็นผิดเสียหายแค่ไหนอันตัวนี้สําคัญที่สุดว่าจะเจริญได้มากจะเจริญได้น้อยจะเสื่อมหรือจะไม่เสื่อมก็อยู่ที่ปรับความรู้ปรับความเห็นแล้วก็ปรับความเข้าใจเนี่ยนะใครที่จเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน <God. S 1> ก็เกิดจากการปรับความเข้าใจถ้าเราปรับความเข้าใจไว้ไม่ดีไม่ถูกต้อง มันประกาศเลยว่าเราเจริญได้เท่านั้นแหละเจริญได้ไม่มากและก็ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นตัวปรับตัวบอกขณะเดียวกันบุญยักกิริยาวัตถุสิบเนี่ยนะทานศีลภาวนาวัยาวจจะ อ, อ, อัปปจยนะปฏิทานะเนี่ยนะปตานุโมทนา ธรรมะสวนะธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยนะไอ้ตัวความเห็นเนี่ยก็สําคัญข้อสุดท้ายมันท่านจึงเรียงธรรมะเป็นข้อสุดท้ายเพื่อให้กําหนดจดจําให้แม่นเรียกว่าคําสุดท้ายเนี่ยเป็นคําที่ที่สําคัญที่สุดทางธรรมะก็เลยปรับเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเห็นสัมมาทิฏฐิกับทิฏฐุชุกกรรมมันอันเดียวกันนะอันเดียวกันพรานบุญมากในพระพุทธศาสนาคือการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจให้ ถูกต้องใครคิดบ้างนะว่าความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่ก็ในโลกนี้เขาก็เชื่อว่าวิชาความรู้นี่คือสิ่งที่มีค่ามากวิชาความรู้นะมีค่ามากเป็นทรัพย์ที่สูงจริงๆนะก็ถือว่ามีวิชามากก็ค่าแรงก็แพงเป็นต้นใช่ไหมค่าชั่วโมงในการทํางานก็สูงฉันใดคนที่จเจริญบุญกุศลได้มากมายและยาวนานต่อเนื่องก็เนื่องจาก ปรับความรู้ปรับความเห็นไอการที่เราจะปรับความรู้ความเห็นเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะทำได้อย่างไรเนี่ยนะที่จะปรับความรู้ความเห็นําความเข้าใจให้ดีและถูกต้องตอนนี้เนี่ยนะความรู้ที่ที่ดีที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่มาตรฐานนะนะที่ที่ถ้าเรามีมีความรู้เออเรามีความเชื่อว่าบุญบาปมีอยู่จริงเป็นต้นเนี่ยนะความรู้ที่มาตรฐานที่จะให้ละบาปแล้วก็บาเพ็ญบุญได้อย่าง หาขอบเขตไม่ได้ไม่มีปริมาณจํากัดในการสร้างคุณงามความดีก็คือคําสอนในพระไตรปิฎกน่นะพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึงวิธีการเจริญคุณงามความดีได้อย่างไม่มีไม่มีขอบเขตะนะอย่างคิดดูนะบอกว่าบางคนก็บอกอเขาทาบุญไม่ได้หรอกเขาจนขนาดนี้เขาว่ากันบอกบารมีมีสิบข้อ คุณก็เอาคําว่าทานเอาไว้ก่อนสิหรือทานวัตถุที่จะให้มีตั้งมากมายไม่ได้อะไรก็ดอกไม้เนี่ยข้างทางเนี่ยก็เด็ดไปบูชาเธอะเนี่ยนะมันถ้าถ้ามองว่าไอไอวิธีการเจริญกุศลเนี่ยบารมีมีตั้งสิบข้อบุญญกิริยาวัตถุก็มีตั้งสิบข้อบางคนเนี่ยมองว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ตัวเงินเนี่ยนะคนที่เข้าใจผิดนี่มองว่าเงินนี่คือบุญบุญคือเงินก็เลยหมายความว่าถ้าฉันเสียเงินมากฉันก็ได้บุญมาก แตนะ่ใช่อาจจะได้หน้ามากคนจะชมมากโดยเฉพาะคนที่ได้เขาจะชมเป็นพิเศษเนี่ยนะเมื่อได้เมื่อไหร่ก็กระดายตามเคยเนี่ยนะเขาก็เล่าว่า mm hmm. ขอทานเนี่ยนะเ ค, เคยเบางคนเนี่ยเขาให้ทานแกขอทานอุ้ยให้ทีละสิบาทยี่สิบบาทเป็นให้เป็นแบงด้วยขอทานนี่ยิ้มแป้เลยะวันหลังเกิดนึกไม่ให้นะขอทานไม่ยกมือไหวคิดตัวขอทานไม่สนใจเลยอะเพราะอะไร เพราะว่าไม่ได้ให้เขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นที่เคารพของบางคนเนี่ยนะก็เพราะว่ายัางให้เขาได้ยังอะไรเขาได้เป็นต้นนั้นถ้าเราปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกต้องขอบเขตในการเจริญบุญกุศลเราก็อยู่จำกัดมากเราก็จะสามารถทำได้แค่ทานแล้วศีละ่ะศีลที่มีสิ่งมีคุณมากกว่านั้นภาวนาละ่ะวั ย, ยาวจไมาละ่ะอนุโมทนาไมาปฏิทานไมา แสดงทำฟังทำปรับความเห็นให้ตรงและที่สําคัญที่สุดคือการปรับความเห็นให้ตรงเนี่ยนะความเห็นที่มาตรฐานที่สุดในโลกเนี่ยก็คือคำความเห็นของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความเห็นที่มาตรฐานที่สุดเพราะว่าเป็นความเห็นที่สร้างสมบ่มบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าถ้าถือว่าผลงานวิจัยในโลกเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเนี่ยนะคำสอนพระพุทธเจ้าผ่านการวิจัยมาสี่อสงไขยแสนกับ แม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็วิจัยอยู่ตั้งนานกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนเขาใช้คำามาตรถาคตก็คือผู้มีวาจาที่จริงที่แท้วาจาของท่านพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงเลยนะนั้นถ้าถ้าใครที่หวังความเจริญในชีวิตในทั้งพบนี้และพบต่อๆไปโดยเฉพาะใครที่หวังความเจริญในพบต่อๆไปเนี่ยนะ ควรที่จะทําบุญอันหนึ่ง ท, ที่ของมาอยากจะแนะนําให้เจริญกันให้มากบุญคือความเข้าใจเนี่ยนะบุญคือคือทัศนคติที่ถูกต้อง น, นี่เป็นบุญที่สูงสุดทีนี้ทัศนคติที่ถูกต้องก็ต้องเอาคําสอนเป็นเครื่องวัดว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเราเป็นไปตามคําสอนไหมถ้าเราไม่เรียนไม่ฟังไม่อ่านจนเพียงพอเรารู้ได้อย่างไรว่าความเห็นของเราถูกต้องนะความรู้ความเข้าใจเราถูกต้อง แต่ถ้าเรามองว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือบุญที่สุดเราจะเจริญมากที่สุดแต่ปัญหาว่าเราเข้าใจผิดว่าไอความเข้าใจก็ไม่ได้หลายคนไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกบอกอ่านแล้วก็ทําตามไม่ได้หรอกเขาเหตุผลของเขาคือเขาทําตามไม่ได้ก็เลยไม่อ่านถามว่าทัศนคติอันนั้นเป็นทัศนคติที่ผิดบางคนบอกอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะเพี้ยนนะ อ, อันนี้ก็เป็นทัศนคติที่ที่ผิดอีกเหมือนกันมันทัศนคติผิดๆนี่แหละ ทำให้ไม่เจริญกุศลที่ตัวเองทําบุญไม่ได้เจริญกุศลได้ไม่มากก็เพราะเกิดจากทัศนคติที่ผิดผิดแต่ก็เชื่อเหรอจากคําของคนที่เป็นมิจฉาทิฐิเราไปบูชาคนที่ไม่สมควรบูชาไปถือเอาคําของคนผานเป็นมาตรฐานเราแยกไม่ออกว่าคําไหนเป็นคําของบัณฑิตคําไหนเป็นคําของคนผานเราเกรงใจคนผานมาก แต่ก็จริงนะยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เกรงใจคนพานานะนะเกรงใจคนพานเรื่องของบัณฑิตเอาไว้ก่อนอดูที่คนพานเขาไหวยังไงเนี่ยนะก็ต้องอนุวัตตามคนพานเป็นเป็นหลักเนี่ยนะแต่เขารู้เออบัณฑิตก็ดีนะแต่เอาคนพานไว้ก่อนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นยุคที่ทัศนคติที่วิบัติไปมากมายก็เลยไม่ต้องแปลกใจแล้วเนี่ยนะ ทีนี้เราเราก็มาดูว่าเราเองเนี่ยนะเราถืออะไรเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ที่ถูกต้องที่สุดสําหรับเราอะไรคือสาระพันถ้าโดยส่วนตัวของธรรมาก็สนใจพิเศษว่าสาระของชาตินี้ก็คือปรับทัศนคติของตัวเองให้เป็นไปตามคําสอนที่สุดเท่าที่จะทําได้สุดแท้แต่ความสามารถที่จะทําได้เพราะเราถือว่าการปรับทัศนคติตามคําสอนคือบุญที่สุดในบรรดา ถ้าเราปรับทัศนคติตามคําสอนได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบเนี่ยนะเราปฏิบัติไม่นานสักเท่าไหร่จะตัดสู้ทันทีเพราะหะไรเพราะเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจผิดๆละ่ะก็เหมือนอย่างว่าคนที่ปรารถนาจะไปอีกเส้นหนึ่งที่มันตรงกันข้ามแล้วไปเดินทางผิดเนี่ยนะถึงจะแรงขนาดไหนถึงจะมีทุนมากมายขนาดไหนแต่ถ้าเข้าใจผิดๆอะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ่งแต่จะผิดเนี่ยนะ อย่างเขาบอกว่าเขาไปเขาบอกเขาอยากไปเหนือแต่เขาเข้าใจกลับทิศมองทิศใต้เป็นทิศเหนือเขา้าเขาบอกไม่ใช่หรอกคุณมันคนละทิศการบอกรถผมมันแรง น, นะะบอกว่าเฮ้ยรถแรงก็ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนะ้ำมันก็หมดปุยปั๊มข้างหน้าเยอะแยะไปเงินผมก็มากก็เลยขับไปใหญ่เลยเนี่ยนะถามว่าจะถึงจุดมุ่งหมายไหมยิ่งเขาบอกยิ่งบอกผิดยิ่งเร่งเท่านั้นยิ่งเร่งกัยิ่งไกลฉันใด ถ้าเราเข้าใจผิดในการศึกษาและการปฏิบัติก็ามาต่อให้เลยว่าให้รีบเท่าไหร่ก็ก็ไม่มีทางนะก็เหมือนกับว่ายังยังไม่รู้จักว่าตัวเองจะไปไปที่ไหนไปทําไมไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าจะไปนะรู้ว่าต้องไปรู้ว่าต้องไปยังไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนถึงจะรีบขนาดไหนก็ไม่ถึงเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปไหนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมคือกลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุดวิชาในโลกเนี่ยนะ เขบอกว่าซื้อขายก็ยังรู้ว่าตัวเองเนี่ยซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คนค้าขายก็ยังพอรู้คนทํานาเขาก็รู้เลยนะคำนวณได้เลยว่าปีนี้ควรจะได้ข้าวเท่าไหรเขาหว่านพืชลงไปฝนตกลงมาขนาดนี้เขารู้แล้วว่าเขาควรได้เท่าไหร่นะพอค้าแม่ขายก็เหมือนกันนักลงทุนที่ฉลาดทั้งหลายเขาลงทุนไปเขารู้เลยว่าอะไรจะได้จะเกิดขึ้นชั้นใดแต่คนที่ปฏิบัติธรรมนะโดยมากไม่รู้เนี่ยนะโดยมากไม่รู้ตัวเลยอาจจะได้จากคําบอกกล่าว ที่ค่อนข้างเลื่อนลอยบอใช่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่าเกือบอะไรไม่ทราบเนี่ยนะเกือบหมดตัวแล้วเกือบตายแล้วอาจจะเป็นไปได้เนี่ยนะที่ใช้คําว่าเกือบตายก็คือเกือบเกิดใหม่แล้วแต่ไม่รู้จะเกิดที่ไหนแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ไม่ปรับให้ดีๆเนี่ยนะยากจริงๆเพมันการศึกษาจริยาปิดกคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสาเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งสําคัญมากเนี่ยนะ มันถ้าเราศึกษาไม่ดีก็เหมือนจะอ่านนิทานเรื่องหนึ่งนะก็เหมือนอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองว่าเออเคยมีคนที่เขาให้ช้างได้นะก็แค่เนี้จบนี่ยนะนะแต่ไม่มองว่ากุศลเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อกิริยามหากุศลที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการบําเพ็ญบารมีสิบของของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นอุปนิสัยต่อการเจริญ กุศลที่เรียกว่าอาริยมรรคและขณะเดียวกันกุศลเหล่านี้เป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อสัพพัญญุตญาณเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยใครที่จะเข้าใจปกตูปะนิสยปัจจัยกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลกุศลเป็นปั จ, จัยแก่อพยากตะก็ดูจากเนี่ยจริยาปิดกทั้งหลายเป็นต้นกัมปีที่ที่กล่าวถึงเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้รู้ว่าเหตุคืออะไรและผลคืออะไรเนี่ยนะก็คือศึกษาเหตุกับผลนั่นเอง ตอนนี้ถ้าเราไม่หลงประเด็นเรากำลังศึกษาเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าแต่นะเหตุที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเหตุเ ห, เหล่านี้เป็นไม่ได้ย้อนกลับมาถึงว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีทัศนคติที่ถูกต้องท่านมีสัมมาทิฏฐิท่านมีทิฏฐิที่ถูกชุกกรรมมีความเห็นที่ถูกที่ตรงว่าการให้ของท่านเป็นต้นเนี่ยนะ การให้ไม่ว่าจะเป็นให้คตชสารคือช้างให้ราชสมบัติให้สรีระเป็นต้นเนี่ยการให้เหล่านี้คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือสาเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่มาขอนี่คือใครก็คือกษัตริย์แคว้นพราหมณ์แคว้นกลิงคะเนี่ยนะที่บอกว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยฝนไม่ตกเกิดทุพพิภัย ทุพพิกรภัยก็คืออดอยากชาดตกั่ภัยนะทั้งอดอยากทั้งแรนแคนโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็เบียดเบียนเนี่ยน ะ, ะเพื่อให้ภัยนั้นสงบขอพระองค์จงพระราชทานมงคลหัตถีชื่อว่าอัญชนะของพระองค์คล้ายกับอัญชนะคีรีนิเธอรเนี่ยแสดงว่าเป็นช้างที่สีเขียวงามมากเมื่อเมื่อนำพระยาโคชศาสตร์นี้ไปแล้วแว่นแคว้ น, วนกาลินคา้าฝนก็จะตกสัพพภยัยภัยทุกชนิด คือถ้าฝนตกต้องตามฤดูการข้าวปลาธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์เป็นต้น น, นะนะการอดอยากก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็ไม่มีเป็นที่มาของความดีงามอีกหลายอย่างมันถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูการเนี่ยยากถ้าสังเกตอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะนะบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่อยู่ด้วยมหาภูตรูปสี่จริงๆ ดินเกินไปก็เดือดร้อนน้าเกินไปก็เดือดร้อนไฟอย่างเดียวก็เดือดร้อนลมอย่างเดียวก็เดือดร้อนปัญหามันอยู่ที่ดินน้ำไฟลมอยู่เท่านี้มีอยู่สี่ประการนี่แหละแผ่นดินมีปัญหาก็เดือดร้อนน้ำมากน้าน้อยก็เดือดร้อนคุณภาพของดินเอาไหมก่อนนะคุณภาพของดินก็สร้างปัญหาคุณภาพของน้ำมากน้อยก็สร้างปัญหาไฟมากไฟน้อยก็ปัญหาลมมากลมน้อยก็ ปัญหาและมหาเกี่ยวข้องกับมหาพูดอยู่แค่เนี้ยนะคิดดูว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะเพิ่งแต่มหาพูดฟังนี้ก็น่ากลัวเนยนะเพิ่งแต่ผีเหมือนกันอ้ามหาพูดแปลว่ามหาผีแปลว่าหลอกมากย้อ น, นกลับมาเรื่องในอดีตนะในพระนครอินทปัตตะเคว้นกุรุพระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระนครของพระอัครมเหสีของพระเจ้ากุรุราชถึงความเจริญวัยโดยลําดับเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่เมืองตักศิลา พอจากกรุรัตไปเรียนถึงอัฟกานิสถานนี่ก็ไกลโคมกันนะส่งไปเรียนที่นั่นก็เหมือนกับสมัยใหม่ไปเรียนต้งข้ามทวีปไปนะเขไปไกลมา ก, ก น, นะพอเรียนศิละปะศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการปกครองเนี่ยนะกษัตริย์ก็ไปเรียนวิชาปกครองแล้วก็วิชาหลักนะวิชายอย่างอื่นที่ประกอบการปกครองบ้านเมืองเป็นต้นพอเรียนจบกลับมายัางพระนครพระชนกก็ให้ดํารงตําแหน่งอุปราชนะ อุปราชก็คือสามารถที่จะบำเพ็ญราชกิจแทนพระราชาได้ล่ะอย่างด้วยกันครั้นต่อมาเมื่อพระชนกสวรรคตก็ได้รับพระราชสมบัติพระองค์ก็เป็นพระราชาที่ดํารงอยู่ในทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมคุณธรรมของความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ทั้ง10ประการก็ไม่กําเริบครองราชสมบัติโดยธรรมพระองค์มีชื่อว่าทนัญชัยพระเจ้าทนัญชัยนั้นให้สร้างโรงทานหกแห่ง หกแห่งที่ไหนบ้างก็ประตูนครศรีแห่งท่ามกลางพรนคร อ, อีกหนึ่งแห่งประตูพระราชินเวศอีกหนึ่งแห่งหน้าบ้านนี่สำคัญมากที่สุดนะจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดหน้าบ้านไว้ก่อนหนึ่งนะสร้างแห่งอืน่นๆทั้งหแห่งสละราชทรัพย์วันละหกแสนทุกวันพระองค์ก็ทําชมพูทวีป ท, ทั้งสิ้นให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทรงบริจาคทานเพราะพระองค์นี่มีอัธยาศัยในการบริจาคทาน ยินดีในฐานแพไปทั่วชมพูทวีปเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจว่าการที่จะไม่เข้าใจว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุมรรคผล ท, ทําไมทําไมต้องมาทานทานทานทานทําไมเรื่องแรกก็เรื่องเรื่อ ง, อ ง, อ ง, องทานทานทานทานบอกว่ามรรคผลเนี่ยนะถ้ายังอะไรมหาพูดอยู่มันจะได้บรรลุได้ไหมให้ทานก็คือเริ่มคลายมหาพูดออกไปก่อนเอย่างนะ เพราะว่าแ อ, แ อ, อะๆเลยนะมหาพูดเหตุเกิดของมหาพูดความดับมหาพูดอสาธาอาทีนวะแล้วก็นิสระมหาพูดอนิสรณะคือสิ่งที่สูงสุดถ้าไม่มีการให้แนละ้วคนจะออกจากอะไรถ้าจะบรรลุจะบรรลุอะไรเขาบอกว่าคนกลมอื่นที่ไม่ใช่ของสายพระพุทธเจ้าที่เป็นในในกลุ่มอื่นๆเ น, นี่ยนะที่ไม่ใช่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้า คนกลุ่มนี้ถือว่าการมีมหาพูดคือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเลือกเอามหาพูดที่ดีที่สุดประนีตที่สุดไปอยู่ณดินแดนที่เต็มไปด้วยมหาพูดเขาปรารถนาแต่มหาพูดต้องการแต่มหาพูดแต่ของพระ พ, พุทธเจ้าบอกว่าในที่สุดคือการตัดฉันทาคะจากมหาพูดเรียกว่านิสรณนะ มหาพูดตัดชั้นราคะจากมหาพูดเนี่ยทำอย่างไรลดวันลงนิดนึงน้การที่จ ะ, ะตัดชั้นราคะจากมหาพูดได้เนี่ยเริ่มต้นมันก็เริ่มคลายมหาพูดในเรื่องนี้ก็แปลว่ามหาพูดเนี่ยใครยิ่งคลายยิ่งมากยิ่งหายิ่งไม่มีะนะยิ่งสแสวงหายิ่งหนีออแปลกนะแต่ถ้าคนที่ ชีวิตเนี่ยปกติวันๆเนี่ยคิดแต่เรื่องให้อย่างพระราชาเนี่ยกิจงานหลักของท่านคืออะไรคือการไปให้เออวันนี้จะต้องไปให้อะไรใครที่ไหนอย่างไรก็มีอยู่เท่านี้ยพระั้นคนที่มากมีจริงๆเนี่ยคือใช้ชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ด้วยการให้แต่ว่าคนที่ให้กลับว่าไม่เคยแทบจะไม่เดือดร้อนเลยนะแทบจะไม่เดือดร้อนเลยคนที่อยู่ด้วยการให้แต่คนที่หิวๆวันนี้จะไปขอใครได้บ้างวันนี้ วันนี้จะไปขอถามที่ไหนดีเนาะอวันนี้จะไปขอที่ไหนดีจะไปขอที่ไหนถามว่าคนประเภทนี้ใช้ชีวิตยอยู่เป็นอย่างไรตรงกันข้ามนะเขบอกว่าอย่างเข า, าพูดแบบง่ายๆเนี่ยนะว่าการให้คือการได้แต่ว่าจะได้ก็ต้องอีกระยะหนึ่งใช่ไหทำไมเราจำนวนถ้าเราอยากได้ข้าวเปลือกเยอะๆคืออะไรก็คือการหวานข้าวเปลือกคือการให้ข้าวเปลือกไปก่อน ถ้าเราอยากได้ผลไม้เนี่ยทำไมเราไม่ไปรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ใบอะ่ะใส่ปุ๋ยไอ้ตรงที่มันรั่วมันจะต้องออกจากตรงนี้นะไปใส่ปุ๋ยตรงนี้โปะไว้ให้เต็มไปหมดเลยอย่างไปโปะปุ๋ยที่ที่อะไรนะที่ที่ยอดมะม่วงเนี่ยนะเพื่อให้มะม่วงโ ต, โ ต, โตมันออกลูกมาทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมไปรดที่รากไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอะ่ะดูแล้วไม่เกี่ยวนะนะถ้าเราอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราก็ทาหน้าบึ้งใส่คนอื่นทุกวันเลยนะ เผื่อคนอื่นเขาจะยิ้มใส่เราบ้างอะ น, นะตรงกันข้ามเลยนะในโลกเนี้ยฉันนั้นจริงๆคือคนที่ให้เนี่เขาบอกว่าฝรั่งบางคนก็ยังพูดเลยก็บอกว่าคนจนกับเศรษฐีเนี่ยคิดตรงกันข้ามกันก็าบองั้นไม่ใช่คิดไม่เหมือนกันนะคิดตรงกันข้ามเลยคนจนนี่จะจะไปเอาได้อย่างไรจะไปเอาจากใครแล้วใครจะมาให้เราชีวิตเขาคิดอยู่แค่นี้บอกเศรษฐีคือบอกว่าเอ๊เราจะให้อะไรใครได้อย่างไร มีอะไรจะให้บ้างไหมจะให้สิ่งนั้นๆได้อย่างไรทำยังไงจะให้ประโยชน์ความสุขแก่คนจำนวนมากได้เขาก็มีแต่คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่คนยากทั้งหลายก็บอกว่าจะเอาจากคนอื่นได้อย่างไรวันเราเราจะอยู่ในคนกลุ่มไหนเราก็ทราบได้เลยนะถ้าชีวิตวันๆหนึ่งหิวจะเอาจะเอาจะเอาใครจะมาให้อะไรเราบ้างเลยนะก็ในที่สุดเนี่ยมันหิวจริงๆนะมันไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวสังเกตนะครับมดตัวนี้เดียวนะมด ตัวนี้เดียวจริงๆอาหารน่าจะไม่ยากนะแต่เชื่อไหมขนาดว่าท้องมันกิวขนาดนั้นนะมันยังไม่ค่อยจะมีกินเลยอ่ะมันยากขนาดนั้นจริงๆมันมันเป็นอย่างเงี้ยก็น่าคิดดูว่าเออทําไมมันเป็นอย่างงี้มันพระราชาทั้งหลายเนี่ยนะมก็เป็นอย่างพระราชาคือพระเจ้าท น, านชัยเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่นักให้ก็มีอัธยาศัยแต่ในการให้ ถ้าไม่เคยให้มาเนี่ยท่านจะมามีวัตถุเพื่อจะให้แบบนี้ต่อไปไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการทำบุญของท่านเป็นการให้เพื่อการให้แบบชาวบ้านอะไรก็คือการลงทุนเพื่อการลงทุนการลงทุนให้มีลงทุนหนึ่งอย่างเพื่อให้ได้อะไรได้งอกเงยมาใช่ไหมเมื่องอกเงยสิ่งนี้แล้วเอาสิ่งนี้ไปลงทุนต่อเพื่อให้มันงอกเงยไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็จเจริญเติบโตไปฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านก็ลักษณะนั้นอาศัยการให้เพื่อ การให้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปการให้เป็นเหตุให้มีโภคศัยพย์เมื่อมีโภอท้ศัพย์ก็จะได้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะก็เป็นการให้ลักษณะนี้แต่ต้องไม่ลืมนะบางคนอุ้ยเมื่อเช้าทำบุญใส่บาตรไปตั้งเยอะแล้วตอนบ่ายน่าจะถูกหวยอย่างไงี้นะอ่นะพวกนี้ก็มันเร่งเกินไปนี่ยนะอะไรก็ตามถ้ามันผิดเวลามันก็ไม่สามารถที่จะมีผลไปตามนั้นรอก็กเหมือนกับอย่างว่าอ่านะ ทุกอย่างในโลกนี่เป็นสิ่งที่อาศัยเวลาหมดเลยนะอาศัยเวลาทั้งหมดเลยนะทานถ้ายังเร็วที่สุดก็ภายในเจวันสิ่งที่ไม่มีเวลาเลยนะเหตุปัจผลทันทีเลยคือมรรคจิตเป็นปัจจัยแก่ผลจิตอันนี้อั น, นันอ น, น, นอากาลิโกอันนี้ไม่มีการจริงๆรไม่มีเวลาจริงๆแต่สิ่งที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่อาศัยการอาศัยเวลาแม้กระทั่งให้ทานกับพระออกจากนิโรธสมาบัติก็ต้องภายใน7วันเนี่ยนะก็ยังมีเวลาเลื่อนไปอีก ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะเลือกนาบุญได้เป็นต้นเจตนาของเราก็อ่อนกำลังเต็มทีเนี่ยนะถามว่ามันสักกี่วันเหมือนการหวานปลูกใช้พืชปลูกปลูกอะไรที่ใช้เมล็ดทุกชนิดใช้เวลาหมดถ้าถั่วงอกนะแค่งอกเนี่ยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่กว่าจะงอกไหมมาเป็นถั่วอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใช้เวลานา น, านเพราะถั่วให้เป็นถั่วอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาเนี่ยนะ การปลูกเม็ดมะม่วงเพื่อให้มันเกิดมาเป็นมะม่วงมีเม็ดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาปลูกมะพร้าวเพื่อให้มันมีมะพร้าวออกมาอีกก็ใช้เวลาใช้มเมล็ดลิ้นจี่ลํยาไยน้อยนาพุทราเป็นต้นจากสิ่งหนึ่งให้มีอีกสิ่งหนึ่งก็ใช้เวลาแต่คนทานทั้งหลายมองการให้ทานนี้จะต้องอัศจรรย์ที่สุดไม่มีเวลาก็เลยไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของการให้ทานเพราะตัวเองให้ทานแบบ ไม่มีปัญญาประกอบเพราะฉะนั้นคนในโลกที่ให้ทานจึงไม่รู้ว่าตัวเองให้แล้วเป็นบุญแล้วอย่างที่เคยอย่างที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่จังหวัดแห่งหนโยมปีนี้โยมทำนานเนี่ยรู้ไหมว่าโยมจะได้ข้าวเท่าไหร่บอกรู้อาร์เรโยมค้าขายปีนี้เนี่ยนะกำไรขาดทุนเท่าไหร่รู้ไหมบอกรู้แล้วทําบุญรู้ไหมว่าจะได้บุญเท่าไหร่ไม่รู้อาร์เรทำไปทําไมบอกเขาพาทำมาอะไรเขาว่าดีอ่ะเขาว่าเขาว่าเขาว่า แสดงว่าเชื่อได้เลยนะร้อยร้อยละมากเลยแหละร้อยละเกือบร้อยนั่นแหละนะร้อยละ 99.9 เชื่อคนนี้จะเลิกทําบุญต่อไปในอนาคตที่เขายังทําบุญก็เพราะมีสังคมสิ่งแวดล้อมบางอย่างให้ทําบุญเพราะพอได้ตัดเหตุตัดตัดใจตั ด, ต ด, ต ด, ตดสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาจะเลิกทันทีแล้วในที่สุดเขาเหล่านั้นก็เลิกเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเป็นเหตุแล้วเหตุที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมีผลอย่างไร มีผลแค่ไหนเขาทนไม่ได้หรอกคนพาลจึงทนที่จะเจริญคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำกุศลชั่วระยะหนึ่งก็เลิกเพราะคนพาลไม่ได้มองว่าเหตุเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้มันยาวๆนะคนพาลจึงเป็นเนือนคนตาบอดภาละโดยสับแปลว่าเข่าแปลว่าบอดก็คือบอดไม่สามารถที่จะเล็งอะไรที่มันไกลๆต่อไปได้ไกลๆแค่ไหนดี